บันี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตของท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายต่อไปมนุผู้เป็นสิทธิ์ของพรามภาวรีที่มาเฝ้ากราบทูลถามปัญหาพระองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านับป่าสาณนเจดียในคราวนั้นท่านต่อไปชื่อว่าติสมิตยะมน หลังจากท่านอาชิตมานพกราบทูลถามปัญหาและทรงวิจารณาแก้ไขมันโดยลําดับแล้วในที่สุดแทงการตอบปัญหาอาชิตมานพก็บรรลุมรคผลเป็นพระยะบุคคลระดับสูงสุดคือเป็นพระอรหันต์ต่อแต่นั้นก็เป็นวาระของท่านติดสมิเตยะท่านเริ่มต้นด้วยกราบทูลถามปัญหาต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าในโลก เหล่านี้ใครเป็นผู้ยินดีและใครเป็นผู้ที่ไม่เล่ารอนพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงวินิจฉัยในปัญหาข้อแรกถึงบุคคลผู้ที่ยินดีว่าความยินดีนั้นจงเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้มีใจคล้องอยู่ในอารมณ์ทั้งหลายก้อนี้หมายความว่า บุคคลใดก็ตามทยังมีกิเลสเป็นเหตุข้องในอารมณ์นั้นๆความยินดีในอารมณ์ทั้งหลายก็จะเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้นั้นดังที่พระผู้มีพระภาคเจา้าเลียสั่งแสดงในทำานองเชิญชวนให้มามองดูโลกสำหรับพุทธบริษัททั้งหลายซึงเป็นโลกแห่งความจริงที่ไม่มีความเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าในยุคใดสมัยใดก็ตามโดยทรงเจี้เห็นโลกในสองสถานะที่จริงโลกนั้นมีสถานะเดียวจะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามเงื่อนไขของธรรมชาติแต่ว่าใจคนมีหลายสถานะและที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือจะมีการกาหนดโลกไปในสองสถานะตดยพื้นอัตยาสัยจิตใจของบุคคลผู้นั้นเอง ที่เป็นตัวกำหนดขึ้นโลกก็คงเป็นโลกอยู่อย่างนั้นแต่นั้นจึงรับสั่งแสดงว่าสูนเจ้าทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันสการดุจราชรถที่พวกคนเข่าค่องอยู่แต่พวกผู้รู้หาค่องอยู่ไม่เพราะความวิจิตรการของโลกนั้นในแง่ของความเป็นจริงแล้วเป็นการวิจิตรการแบบราชรถ ราชรันั้นเริ่มต้นด้วยความไม่มีราชรัก็อาศัยการเกาะกลุ่มของพระพะสัมภาระทั้งหลายและความรู้ในด้านวิจิตสินประเทศสินของในช่างผู้ฉลาดก็นําเอาชิ้นส่วนต่างๆซึ่งอยู่ในรูปแบบต่างๆและกระจายกระจายอยู่ในส่วนต่างๆเข้ามาประกอบกันโดยอาศัยจิตเป็นตัวกําหนดและในที่สุด ราชรถเหล่านั้นก็วิจิตขึ้นตามความวิจิตของจิตแห่งช่างผู้สร้างราชรัชรถโลกคือโอกาสสโลกโลกคือพื้นดินก็เกิดขึ้นวิจิตพิสดารไปด้วยปัจจัยของธรรมชาติอันตรการหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งความวิจิตของโลกเกิดขึ้นโดยจิตของบุคคลที่วิจิตออกไป ทำให้เกิดอาการหลากหลายขึ้นในโลกเป็นรูปเป็นศิลปกรรมเป็นปฏิมากรรมเป็นพิจิตรศิลป์เป็นประณิตศิลป์เป็นมัณฑนศิลป์ต่างๆเป็นต้นอย่างที่จาแนกแยกแ ก, กันออกไปแต่ในแง่ของความจริงแล้วก็คือราชรัฐซึ่งเริ่มต้นจากศูนย์คือไม่มีก่อนแล้วเพราะอาศัยความวิจิตของจิตแห่งในช่างผู้สร้างรถก็ไปนําไปแกะสลักไปกําหนดกฎลาขึ้นมา กหนดจินส่วนตอดั้นคิด ก, ก็กลายเป็นความวิจิตขแต่ความมีจิตของสิ่งของราชรถเหล่านั้นเป็นการเกาะกลุ่มการในระยะหนึ่งแต่ในที่สุดความจริงของราชรถก็ปรากฏคือจะต้องเสื่อมสลายไปโดยลำดับและในที่สุดก็แตกไปนั่นคือความจริงของโลกซึ่งทรงย่อมาที่ราชรถให้เห็นตัวอย่างง่าย ไม่จำเป็นจะต้องไปมองไกลอะไรที่ใดนักหนาเพราะว่าที่จริงแล้วส่วนต่างๆของโลกนั้นก็ได้ย่ออยู่ในรูปแบบต่างๆจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของเป็นปูเขอเป็นต้นไม้เป็นอาคารสถานที่ต่างๆเป็นต้นและแม้แต่เป็นภัชนะชิ้นใดชิ้นหนึ่งก็เป็นส่วนย่อยของโลกหรือเป็นการย่อโลกไว้ในสัดส่วนที่เล็กพอให้มองเห็นกันได้ โดยสภาพควาความเป็จริงแล้วก็คือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่างที่ทรงแสดงในรูปของใจลักว่ า, อาของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั่นคือสภาวะความจริงราชรดเกิดขึ้นและในสุดราชรดก็ดำรงอยู่แล้วก็ดับไปโลกก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเรื่บุคคลเข้าใจถึงความจริงในส่วนย่อยที่ใดที่หนึ่ง เชืเข้าใจถึงความจริงว่านายกอมันเกิดมาแล้วนายกอก็ต้องตายแล้วเราจะเข้าจริงในเข้าใจความจริงในส่วนหนึ่งหรือได้ทั้งหมดเลยว่าสิ่งมีชีวิตทั้งหลายนั้นเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องตายไปการเมื่อนายกอเป็นสิ่งมีชีวิตนายกก็ต้องตายไปเราเป็นสิ่งมีชีวิตเราก็ต้องตายไปปเขาต้นไม้ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันในที่สุดก็ต้องแตกตายไป นั่นคือการเรียนจากส่วนจ่อยแล้วจะทราบซึ้งเข้าใจอย่างลึกซึ้งในความจริงทั้งหมดทั้งสิ่งเหล่านั้นแต่ในขณะเดียวกันนั้นชาวโลกที่อยู่ในโลกมีพื้นจิตที่แตกต่างกันพระพุทธเจ้าจึงทรงจําแนกแสดงลักษณะของคนว่าพวกที่ไม่รู้ก็มีข้องมีติดอยู่ในโลกตอนนี้ มีความยึดติดในโลกซึ่งโดยความหมายในเร า, เ า, าคัมภีร์ว่าโลกโดยความหมายจริงๆนั้นมันมีมากสุดจะพรรณนาสรุปรวมว่าสิ่งทั้งหมดก็เป็นโลกเพราะสิ่งอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยและมีการเสรื่อมสลายไปในที่สุดสิ่งนั้นเราเรียกว่าโลกบาลีท่านใช้คำวิเคราะห์ไว้ว่าลสจิติโลโก สิ่งใดหรือสภาวะอันใดหรือสัตว์คนใดก็ตามที่มีความแตกสลายไปในที่สุดสิ่งนั้นสัตว์นั้นคนนั้นก็ชื่อว่าโลกป้ตาก็ชื่อว่าโลกหูก็ชื่อว่าโลกที่ตรงบางทีตรงใช้คําว่าอายตนาโลกขันธโลกอายตนาโลกก็คือแต่ละอย่างแต่อย่างนั้นก็เป็นโลกตาหูจมูกลิ้นคายใจก็เป็นโลกแต่ละโลกรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นโลกแต่ละโลก ทำไมเพราะว่าสิ่งแต่ละสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยในที่สุดก็จะมีการเสื่อมสลายแตกทํำลายไปตามสภาวพความจริงแห่งโลกแต่ว่าคนกลุ่มหนึ่งซึ่งสงสัยคําว่าผู้ไม่รู้ยังคล่องยังติดอยู่ในโลกเพราะความไม่รู้จึงมีความกําหนัดมีความเพลิดเพลินมีความยินดีอยู่ในโลกเหล่านั้น เนื่องการที่คนเกิดความกำหนัดเพลิดเพลินยินดีที่ท่านสิทธิสมัยตยะกราบทูลถามว่าใครเป็นผู้ยินดีก็หมายถึงคนที่ยังไม่รู้ถึงสภาวะอันแท้จริงของสิ่งเหล่านั้นว่าอะไรเป็นอะไรโดยแท้จริงตราบใดที่ยังมีความไม่ไมรู้อยู่ความยินดีในอารมณ์ทั้งหลายก็จะเกิดขึ้นแต่ความยินดีนั้นก็คู่กับความไม่ยินดีหรือที่เราพูดกันว่าความยินร้าย และการปฏิบัติธรรมะในทางรู้พุทธศาสนาก็มุ่งถอนสองตัวนี้ถอนความยินดีกับความยินร้ายแต่การจะถอนความยินดียินร้ายได้นั้นก็ต้องรู้ถึงความจริงในสิ่งเหล่านั้นข้อนี้ลองสังเกตดูอาจจะมีวัตถุสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ประดับประดาตกแต่งข้างนอกไว้สวยงามเหลือเกิน พอบุคคลได้ประสบสิ่งนั้นเข้าใจก็เกิดกำหนดว่าสวยงามน่าใคร่น่าปราตะนาน่าพอใจต้องการที่จะได้สิ่งเหล่านั้นมาไว้ในครอบครองของตนต่อมาก็มีท่านผู้รู้ท่านบอกว่าภายในสิ่งเหล่านั้นเป็นซากศพของคนถูกฆ่าตาย พ็เกิดความรู้ความจริงซะนั่นเองใจซึ่เคยปรารถนาอยู่ในแต่ก่อนก็จะหายไปจิตจะถอนกลับจากวัตถุเหล่านั้นกลายเป็นความหวาดกลัวความขยะแขยงความสะดุ้งเกิดขึ้นภายในใจต้องการที่จะหนีจะถอยห่างไปจากอารมณ์เหล่านั้นลักษณะเหล่านี้แม้เพียงชั่วขณะของจิตที่บางเกิดขึ้น จาการยึดติดในสัตว์ได้สังขารทั้งหลายก็เพราะอาศัยความไม่รู้เป็นตัวการอันสําคัญก็ให้เกิดความยึดติดขึ้นในลักษณะ น, น, นั้นแต่พอเกิดความรู้ขึ้นมาแล้วใจก็จะคลายจะเบื่อหน่ายจะคลายกําหนัดจะพยายามถ่ายถอนออกจากวัตถุอารมณ์บุคคลเหล่า น, นั้นสภาพเหล่านี้จะเกิดขึ้นไปนเรื่อยๆโดยลําดับแม้ระดับที่เป็น วิปัสนาญาณมันก็มีความคิดที่เรียกว่ามองเห็นโทษของสิ่งดอกนั้นถ้าจะถามมาทำไมจึงมองเห็นโทษก็ต้องเกิดจากความรู้เพราะถ้ามไม่รู้ก็มองไม่เห็นเมื่อบุคคลเกิดความรู้ขึ้นมาก็จะมองเห็นโทษในสิ่งดอกนั้นแล้วก็จะหน่ายจะกายกําหนัลจะพยายามถ่ายถอนตนเองออกไปแม้ในกรณีของความยินราย เพมีลักษณะเช่นเดียวกันอาจจะมองดูตัวอย่างและจะอาจจะเคยประสบพบเห็นไปสัมผัสมาด้ตัวเองว่าแท้จริงแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นปรากฏการณ์ที่มีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาติธรรมดาพระพุทธเจ้าไม่ได้เอาอะไรมาจากโลกมาทรงแสดงมาจากนอกโลกมาทรงแสดงแต่ทรงแสดงความจริงตามที่มีอยู่เป็นอยู่ในสิ่งเหล่านั้นว่าเพราะความไม่รู้เนี่ย ถ้าไม่มีความยินดีหรือความยินไรแต่พอ ร, รู้ความยินดียินไรก็จะหายไปในกรณีของความยินดีจากตัวอย่างที่ยกมาแล้วในกรณีของความยินร้ายตัวอย่างเช่นบุคคลเดินไปในสถานที่ใดที่หนึ่งไปเจอคนคนหนึ่งพอมองเห็นหน้าเราท่านั้นพอดา่าเลยด่าชี้หน้าอย่าโวยวายกันเป็นการใดความรู้สึกในชั้นแรกต้องกรดเคือง แต่เมื่อดนเดินผ่านไปแล้วก็เก็บความโกรธเอาไว้เป็นความไม่พอใจความอาฆาตความพยาบาทก็ขึ้นแล้วจะแล้วแต่จะรุนแรงขนาดไหนสมมติว่าไม่ไปทำอะไรเขาในขณะนั้นแต่ว่าเดินไปแล้วยังเป็นสนิมใจค้างอยู่คำดานั้นก็หายไปก็ปเดินเลยไปแล้วแต่ยังเก็บความไม่พอใจไม่ยินดี ความโกรธจนถึงอาคาตพยาบาทแล้วมุงอาจจะมุ่งแก้แค้นได้ทำไปพอวันหลังเจออีกก็อาจก็อาจจะได้แล้วก็เก็บกดความรู้สึกเหล่านั้นเอาไว้ต่อมาวันหนึ่งไปทราบความจริงว่าคนที่ยืนด่านั้นไม่ใช่ด่าเราเราแกด่าทุกวันเลยด่าอย่างนั้นเองว่าแ เ, เป็นคนบ้าความโกรธจะหายไปหมดเลย ตั้งแต่ที่เก็บค้างไว้ภายในใจทั้งหลายวันทําไมจึงหายไปได้เพราะรู้รู้ความจริงอย่างแท้จริงของเสิยงเหล่านั้นกิเลส ท, ที่มีประเภทต่างๆแกก็หายไปเองเรื่องของความยินดีในอารมณ์ทั้งหลายก็มีลักษณะอย่างนั้นมันเกิดขึ้นจากใจที่ไม่รู้ขอความจริงในอารมณ์ทั้งหลายคือในรูปในเสียงในกลิ่นในรส ในโพธถ้าผาและในธรรมารโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งก็คือสิ่งที่เป็นรูปเสียงกลิ่นรสผัวถ้พผาตราบใดที่ยังไม่รู้ใจก็จะกำหนดหมายอารมณ์ไปในกรณีของความยินดีจะเห็นว่ามีความเปลี่ยนแปลงทางจิตเริ่มต้นจากการกำหนดว่าสิ่งนั้นเป็นของสวยของงามไปต้น ในการกําหนดนั้นก็ไม่มีกําหนดเป็นแนวที่สองถ้าเกิดความยินดีเกิดกาหนดว่ารูปสวยเสียงไพเราะกลิ่นหอมรสอร่ อ, ม อ, มรร อ, รอยสัมผัสน่าจะต้องเพราะถ้าให้กําหนดอย่างนั้นแล้วความปรารถนาจะไม่เกิดความยินดีจะไม่เกิดต้องกําหนดอย่างนั้นเท่านั้นความยินดีจึงจะเกิดขึ้นตอนนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่ารูปนั้นเองที่เป็นอารมณ์ของกรรมาฐานเสียง <c oughs> นั่นเองเป็นอารมณ์ของกรรมาฐานที่ผ่อนคลายกิเลสแต่พอเป็นอารมณ์รกรรมฐานเรากำหนดอีกแนวหนึ่งไม่ได้กําหนดแนวนั้น ไม่ได้กำหนดแนวว่าน่าใครหนปรารถนาหน้าพอใจแต่กำหนดให้เห็นว่ารูปนั้นเป็นของที่ประกอบกันด้วยธาตุสีดินน้ำลมไฟมีอาการ32รล้วนแล้วแต่มีสิ่งปฏิกูลก็กลุ่มรวมกันอยู่เหมือนกระถุงที่ใส่สิ่งสกปรกมีประการต่างๆซึงก็เปรียบเหมือนหนังที่หุ้มหอ่ออวัยวะร่างกายของบุคคลเอาไว้ แต่แท้จริงแล้วภายในถุงก็มีแต่ของปฏิกูลที่จริงถ้าทําเรากําหนดดูอะไรก็กําหนดดูรูปนั่นเองกําหนดดูรูปที่เคยกําหนัดรักให้พอใจยินดีได้กําหนดอีกแนวหนึ่งแล้วกลายเป็นอารมณ์ของกรรมฐานเสริมสร้างความรู้บางการที่จะเกิดความยินดีจึงต้องเกิดขึ้นจากการกําหนดว่ารูปสวยเสียงไพเราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสหน้าจับต้องเท่านั้นเองจึงจะกลายเป็นเรื่องเกิดกิเลส ที่นีปัญหาว่าเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนื่องจากสายนี้เป็นสายของตัญหาซึ่งมีลักษณะเหมือนยางเหนียวจะก่อให้เกิดความติดความหนืดในอารมณ์ต่างๆมีการไปวควา้าปรารถนาจนถึงกระเพียนพยายามสแสวงหาจนได้มาหรือแม้แต่จะไม่ได้มาถ้าว่าตัวความไม่รู้มีมากอยู่ภายในใจ ก็จะเกิดอาการขวงหรือเกิดอาการถึงการข่วงข้อนี้จะพบว่าลักษณะมืดบอดทางอารมณ์ที่มากนั้นจนว่าชายหนุ่มไปชอบหญิงสาวคนใดคนหนึง่งครับโดยขวายผู้หญิงก็ยังไม่รู้เวลาผู้หญิงไปไหนมาไหนคนอื่นตัวเองก็ขววงก็ถึงบางทีก็ฆ่ากันอยงมีข่าวคราวนั่นแสดงให้เห็นว่าตัวอวิชชานั้นมากได้แกน การกำหนดจึงแรงมากและเมื่อไม่ได้เป็นไปตามที่ตัวกำหนดหรือตามในตัวคาดฝันก็มีปฏิกิริยาในลักษณะสะท้อนกลับที่แรงมีการทำลายล้างมีการปรัประหารกันแต่ทีนี้ถ้าหากว่าตัวความไม่รู้ได้ถูกขัดเกลาไปจนกลายเป็นความรู้การกำหนดรูปเสียงกลิ่นรสในแนวนั้น ก็จะไม่พลุนแรงคือก็มีความหวงอยู่เหมือนกันแต่จะเข้าใจว่าช่วงใดควรเจ้าหวงช่วงใดไม่ควรหวงความรุนแรงทางอารมณ์ก็เกิดขึ้นน้อยแต่ไม่จะไม่เกิดเพราะยังไงถ้ายังมีพิจารณ์ก็ต้องเกิดแล้วลักษณะความคิดเหล่านี้จะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปคือจะได้แบกอารมณ์เหล่านั้นเอาไว้แสดงอาการออกมาเป็นรูปความหวง เสื่อาการขวงนั้นจะเห็นว่ามีความรุนแรงมากกว่าอาการขวงเพราะข่วงเป็นอาการถือครองจูแต่ความห่วงนั้นข้ามทวีปได้เลยอาจจะเป็นข่วงเป็นยายลูกหลานพี่น้องที่อยู่ที่สหรัฐอเมริกาที่อยู่ที่ไหนต่อที่ไหนทาไมจึงเกิดข่วงเพราะว่าใจไปกําหนดว่าของเราในคนในสัตว์ในสิ่งของเหล่านั้นซึ่งอาจจะมานั่งอยู่ เพื่อทำทำความเพียรในจิตใจมีความสงบแต่ถ้าความรู้สึกในแนวนี้มากก็อาจจะเป็นห่วงบ้านคนที่บ้านเป็นไงไม่รู้วันนี้วันเสาร์อาจจะไปเที่ยวหมดก็ได้ลืมปิดประตูหรือเปล่าก็ไม่รู้ตอนมากลัวกับโมกระโจนจะเข้าบ้านจะคิดไปได้สารพัดนี่ที่จริงเริ่มจากความยินดีก่อนยินดีก็กำหนดหมายเมื่อได้ถือครองก็กลายเป็นความห่วงพรวงมากขึ้น ใจจะเหนียวนึกถึงสิ่งเดล่านั้นด้วยความห่วงใยด้วยประการต่างๆแต่ในแต่ละจุดให้สังเกตว่าถ้าปัญญาหรือวิชาบังเกิดขึ้นะจะเข้าไปกระสิบใจตักตื่นใจะจะตั้งปัญหาสอนให้ตัวเองคิดเองว่าเป็นยังไงใจเป็นยังไงเปากลัวลูกกลัวหลานห่วงญาติพี่น้อง ไปอยู่ที่นั่นที่นี่หรือที่บ้านไอตัวปัญญาที่แกมีกำลังมากพอแกก็ถามอีกแล้วห่วงแล้วมันได้อะไรเราช่วยอะไรแกได้ไหมเราแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ไหมใจก็จะตอบได้ว่าช่วยไม่ได้เพราะมันก็ไกลเกินไปใจก็จะวิ่งซสงบงไปอยู่ด้วยการเพ่งพินิษอย่างมีเหตุผลที่ท่านเรียกว่าอุเบกขา อย่างลงสู่กฎของกรรมได้บคนลตั้งหลายนั้นมีการเป็นของของตนจะต้องไปผู้รับผลของกรรมมีการเป็นกําเนิดมีการเป็นเผ่าพันธุ์ยางที่สุดกันกจะเดินหน้าได้ไปแต่ถ้าอาการข่วงในลักษณะนั้นจึงเกิดขึ้นครอบงำจิตใจของบุคคลแรงกล้ามากขึ้นมากขึ้นจะกลายเป็นบิตกกลางบนห่วงใจเกิดอาการเครียด เกิดอาการทางจิตประสาทขึ้นมาได้โดยลำดับแล้วที่สำคัญอย่างยิ่งคือตนเองจะตกอยู่ในพ่วงของความรู้สึกนั้นเรื่องของพ่วงแล้วไม่ว่าพ่วงน้ำหรือพ่วงอะไรก็ตามจะมีอาการพัดหมุนมากด้วยภยัยมากด้วยอันตรายในสถานที่เหล่า น, นั้นนัมนอระภาพชีวิตจิตใจของบุคคลจึงเดินอยู่ในสายน เพราะเขาไม่รู้คาเดียวจึงมีความข้่องความติดในอารมณ์ทั้งหลายจ น, จนตกจงตกอยู่จนตกอยู่ในพ่วงของตัญหาพ่วงของอาสวะ่วงของกิเลสพ่วงของอะไรแต่ อ, อะไรที่ทันเดกไปมีการไขว้ขปราถนาเพิ่มปริมาณความเข้มข้นแห่งแรงปรารถนาในอารมณ์ทั้งหลายมากขึ้นโดยต่ดับในสุดจิตใจก็จะไม่สงบมีลักษณะเหมือนคึิ มีการกระแทกกระทันอารมณ์หยุดด้วยไปลูกเราเป็นยังไงก็ไม่รู้การรอบเป็นยังไงก็ไม่รู้เรียนหนังสือดีหรือเปล่กปาก็ไม่รู้ศุกรภาพเป็นยังไงก็ไม่รู้ต่อไปลูกหลานก็จะดีหรือไม่ดีก็ไม่รู้ก็ควงกันไปหมดเลย<ม><ม>ก็สายวิ่งไปวิ่งมาตอนนี้ด้ลองสังเกตว่าบางครั้งบางคราวจะมีอาการกัดกร่อนใจกัดกร่อนใจจนเป็นกรานเศร้สาสึม ว่าเวดูดเดี่ยวเดียวดายจะกลายเป็นการเหงาต่างๆเช่นบางคนนั้นมีความขวัญใจตัวเองมากเกินไปก็เกิดอาการอย่างนี้ได้หรือขวัญใจคนอื่นมากเกินไปก็เกิดอาการอย่างนี้ได้เหมือนกันเช่นขวัญใกลัวว่าทรัพย์สมบัติจะหายไปลูกหลานจะไม่มีความกตัญญูเจ็บไข้ได้ป่วยใครจะมาดูแลเป็นต้นตอนนี้ลูกหลานก็จากไปหมดเป็นต้นมันก็เกิดอาการเครียดขึ้นมาได้ ทีนี้ในกรณีที่ประรกถึงคนอื่นก็ห่วงใยโดยนัยทธิกรารแล้วลูกหลานไปทำงานมีเงินเดือนพอหรือเปล่าก็ไม่รู้สงสัยจะอยู่กันยังไงไปท้องถิ่นใหม่ๆอาหารจะเป็นยังไงก็ไม่รู้ตอนนี้อากาศเริ่มหนาวแล้วจะเป็นไงบ้างก็วิตกกังวลไปนั่นคือสายไปได้ แ, แก่เกิดจากที่จริงเกิดจากความยินดีแต่พาความยินดีนั้นพอถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ย มันมากเกินไปเป็นอาการล้นปรีทางอารมณ์ท่วมทัพจิตใจของบุคคลก่อให้เกิดเป็นความคล่องความติดในอารมณ์เหล่านั้นอาจจะเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นหรือเป็นรสก็ตางแต่ว่าสำหรับท่านที่เรียกว่ารู้ที่ทรงชช้คำนัติสังโววิชานตังสาหรับท่านผู้รู้แล้วก็จะไม่คล่องไม่ติดในอารมณ์ เพราะสิ่งเหล่านั้นสักแต่ว่าสิ่งนั้นความจริงขั้นสมมติท่านก็ยอมรับความจริงขั้นสมมติไม่ได้ไปโต้แย้งอะไรกับชาวโลกครับแต่ในขณะเดียวกันใจของท่านเองก็ยังเข้าถึงความจริงที่แท้จริงรูปก็สักแต่ว่ารูปเสียงก็สักแต่ว่าเสียงกลิ่นก็สักแต่ว่ากลิ่นรถก็สักแต่ว่ารถสัมผัสก็สักแต่ว่าสัมผัสตามปกติใจของบุคคลจะฟูขึ้นฟุบลง การเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ที่ผ่านมาทางภาษาสัมผัสพระพุทธเจ้าทรงใช้คมำง่ายว่ายินดียินรายหรืออภิชากับโทมนัตก็จะเกิดขึ้นในแนวนี้อยู่ตลอดแต่พระท่านรู้ทันรู้ทันไปหมดทุกเรื่องทุกกรณีเลยความวุ่นไวายภายในจิตใจก็จะไม่เกิดขึ้นวันนี้ลองดูตัวอย่างง่ายๆว่า เสียงโฆษณาใดต่างในเรื่องสินค้าซึ่มีอยู่ประจำวันทั้งหนังสือพิมพ์ทั้งวิทยุทั้งโทรทัศน์ทั้งสื่อสังคมชนเหล่าอื่นตลอดถึงเป็นแผ่นภาพเป็นต้นคนบางคนที่ยังไม่รู้ก็จะอยากจะลิ้มอยากจะทดลองอยากจะพบเห็นสิ่งเหล่านั้นแต่ถ้ามาผู้รู้แล้วมองยังไม่มองเลยภาพโฆษณาเหล่านั้นไม่มองไม่สนใจอะไร มองเห็นเป็นเรื่องของเด็กเล่นเป็นเรื่องของตุ๊กตาที่มันเหมาะสําหรับเด็กเท่านั้นเองแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไรเขาเพราะการปฏิเสธการมีความรู้สึกรุนแรงนั้นแน่นอนไม่ยินดีแต่กลับเป็นยินร้ายสแสดงว่าใจตกอยู่ในห่วงของกิเลสอีกสายหนึ่งแต่ท่านที่รู้แล้วจะไม่ตกทั้งสองด้านคือทั้งความยินดีและความยินร้ายประการรู้ความจริงในสิง่งเหล่านั้น การปฏิบัติธรรมในชั้นนี้แน่นอนผลสูงสุดจริงๆนั้นต้องเกิดขึ้นจากการปฏิบัติทําใจให้สงบเกิดปัญญาที่เรียกวิปัสสนาปัญญาเก้นมาจนเห็นประจักษ์ชัดในอารมณ์เหล่านั้นและทายทอนกิเลสเป็นเหตุให้เกิดความยินดีหรือความยินร้ายลงไปได้แต่ในเชิงปฏิบัติในชีวิตประจําวันแล้วผู้ปฏิบัติต้องเข้าใจว่าตัวการคือความรู้ที่จะไปรู้อารมณ์ทั้งหลายในเรื่องเหล่านั้น อย่างน้อยที่สุดอยู่ในสังคมปัจจุบันไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของสื่อสารมวลชนต่างๆที่มีการโฆษณามีการรายงานข่าวสร้างความมีตกกังวลเดือดร้อนสร้างความ ข, ขวัญคว้าปรารถนาอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาเพราะเข้าใจว่านั้นคือกลุ่มผลประโยชน์ที่เกตต้องการผลตอบแทนซึ่งมากกว่าการลงทุนในการโฆษณาแล้วก็สงบใจไม่ได้ ถอาสงบใจได้ใจก็ไม่ติ้นไปในอารมณ์หล่อนั้นไปโฆษณาก็โฆษณาไปไปใจจะหยุดอยู่กับที่เสียงก็เสียงได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินได้เห็นก็สักแต่ว่าเห็นได้ทราบมาก็สักแต่ว่าทราบได้รู้มาก็สักแต่ว่ารู้ประรู้ความจริงในสิ่งหล่อนั้นเพราะตัวการคือความรู้จึงเป็นหลักสําคัญเวลาเกี่ยวข้องกับอารมณ์ทั้งหลาย ยังน้อยที่สุดในชีวิตประจําวันของบุคคล น, นั้นจะต้องมองเห็นความจริงว่าความยินดีนั้นในช่วงหนึ่งถ้าไม่แรงเกินไปก็ก่อให้เกิดเกิดความเพลิดเพลินสนุกสนานชื่นบันเทิงใจแต่ก็ต้องเตรียมใจได้ว่าไอ้สิ่งที่เกิดก่อให้เกิดความยินดีนั้นอีกข้างหนึ่งก็กลายเป็นความยินร้ายได้ จะสามารถเตรียมใจที่จะเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลงของสิ่งเหล่านั้นลนักษณะเหล่านี้จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าแม้แต่การครองเรือนครองชีวิตของบุคคลบุคคลที่ใกล้ชิดกับเราที่สุดก็สอนให้ระมัดระวังคือไม่ใช่ยินดีกำหนดเพื่อกำหนดเพื่อเพลินจนเกินไปอย่างที่ท่านพูดในสมัยโบราณว่า จ้างสารงูเหา่าฆ่าก่อมีรักหรือสามีก็ทำนองเดียวกันเป็นบุคคลที่จะต้องระมัดระวังเหมือนกันเมื่อใส่ความรู้เป็นเครื่องคุ้มครองใจอย่างนี้แม้ความยดีบางเกิดขึ้นก็ไม่ปล่อยให้ปิดบังสติปัญญาหรือเหตุผลเปนกลายเป็นความมืดบอดในด้านเหตุผลและสติปัญญาอย่างน้อยก็เหลือดวงไฟคือปัญญาเอาไว้ ระรับสองทางเป็นเครื่องดำเนินชีวิตจะควบคุมจิตใจของตนให้ไม่ให้ถูกความยินดีและความยินราชครอบงำมากเกินไปได้ตามสมควรับการปฏิบัติแห่งตนต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบส่อต่อไป